จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนมีครูจากโรงเรียนอรุณโนไทยได้พาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษามาปฏิบัติกิจของศาสนาเพื่อเป็นการทานุบารุง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นร่มโพล่มใสให้กับสัตว์โลกและเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนเองเพราะเด็กจะได้ทำบุญทำความดีและจะได้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นี่คือวิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราส่งเสริมด้วยการศึกษาร่มเรียนพระธรรมคำสอนเมื่อเราได้ร่มได้เรียนแล้วเราก็นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเราเห็นผลแล้วว่าดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความเจริญอย่างไร เราก็นำเอาไปพร้อยแผ่ให้กับผู้อื่นอีกต่อหนึ่งพระพุทธศาสนาก็จะไม่เสื่อมไม่หายไปจากโลกการที่พระพุทธศาสนาจะถูกบรรจุไว้ในรัตธรรมนูญหรือไม่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นตัวอักษรถ้าบรรจุไว้ได้ก็ดี ถ้าไม่บรรจุไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะศาสนาไม่ได้อยู่ในตัวกระดาษไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือแต่อยู่ในใจของชาวพุทธเราอยู่การอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการศึกษาถึงแม้ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราไม่สนใจศึกษา ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาก็เสื่อมลงไปได้เพราะเหตุของการเสื่อมและการเจริญนั้นอยู่ตรงที่ว่าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ดังนั้นขอให้เราให้ความสนใจต่อการศึกษา เช่นวันนี้เราก็มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติวันนี้เราก็ปฏิบัติทานคือการให้ปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจของเราการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือการทำบุญนั่นเองถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสส่งสอนก็เราก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วเช่นท่านสอนให้เราทาบุญให้ทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อเราปฏิบัติตามเราก็จะมีบุญบุญแปลว่าอะไร บุญแปลว่าความสุขใจเมื่อเราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็มีความสุขใจดังนั้นจึงขอให้เราอยู่ดูที่การกระทำของเราเป็นหลักว่าเรากระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ทำตามเราก็จะไม่ได้บุญ เมื่อเราไม่ได้บุญเราก็จะไม่ได้ความสุขบุญนี้ถ้าสรุปลงง่ายๆก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นที่มีแต่คุณมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น mm hmm. เช่นการถวายทาน นี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ที่ให้ก็มีความสุขใจผู้รับก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งของที่ได้นำเอามาถวายดังนั้นการทำความดีนั้นขอให้เรามองไปที่ผลที่เกิดขึ้นถ้าเราทำแล้วเกิดโทษขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นบาปเช่นเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาตกมดตกแมลงอย่างนี้ทำไปแล้วมดมแมลงจะต้องตายไปมดมแมลงกับเรานี้ก็ไม่มีความแตกต่างกันเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเรามีความกลัวความตายเหมือนกัน เพียงแต่เขาตัวเล็กกับเราเท่านั้นเองแต่ใจของเขากับใจของเรานี่เหมือนกันมีความอยากที่จะมีความสุขมีความอยากที่จะอยู่ไปนานๆไม่มีความอยากที่จะตายไม่มีความอยากที่จะให้คนอื่นมาฆ่ามาทำร้ายดังนั้นเราต้องเคารพชีวิตของผู้อื่น mm hmm. เท่ากับเรา เคารพชีวิตของเราเองเราเห็นเขาเป็นตัวเล็กๆน้อยๆ อ, อย่าไปคิดว่าเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาเหมือนกับเราเหมือนกับเรากับผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่กับตัวเด็กนี่ก็มีขนาดไม่เท่ากันแต่ใจของเด็กและใจของผู้ใหญ่นี้มีขนาดเท่ากัน คือมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันมีความปรารถนาะความสุขและความเจริญเหมือนกันนะราพระพุทธเจ้าจงทรงสอนให้เรามีความเมตตาต่อกันคำว่าเมตตานี้หมายถึงให้มีความปรารถนาดีต่อกันมองกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง เป็นคนที่เรารักนะอย่าไปมองในลักษณะเป็นคนที่เราเกลียดนะถ้าเราเกลียดใครนั้นแสดงว่าเราขาดความเมตตาถ้าเรารักใครแสดงว่าเรามีความเมตตานะแล้วนอกจากรักแล้วเราจะต้องระมัดระวังเวลาที่เราพูดอะไรทำอะไรจะต้องไม่ให้เขาเดือดร้อน จะต้องไม่ให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนื้อเจ็บช้ำน้ำใจใชเช่นเวลาพูดก็ต้องพูดวาจาที่สุภาพพูดเพราะเวลาที่พูดคำหยาบฟังแล้วมันทำให้รู้สึกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พูดคำสุภาพพูดกับใครก็ตามไม่ว่าจะพูดกับคุณครู กับคุณพ่อคุณแม่กับผู้หรักผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนด้วยกันหรือกับคนอื่นก็ให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพมีคะมีขามีคับ ม, มีผมเ <c oughs> พราะพูดแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ายกย่องสรรเสริญถ้าเราพูดคำหยาบ พูดไปแล้วก็จะเป็นคนน่าเกลียดน่าตำหนิเพราะคำหยาบที่พูดออกมานี้เป็นเหมือนกับขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่สกปรกใครฟังแล้วก็จะไม่ชื่นอกชื่นใจฟังแล้วก็รู้สึกลำคาญใจนี่คือการพูดที่ ปรกอไปด้วยความเมตตาต้องพูดด้วยความสุภาพและต้องพูดด้วยความจริงพราความจริงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวาจาของเราไม่ว่าเราจะพูดอะไรขอให้เราระมัดระวังว่าสิ่งที่เราพูดนี้ต้องเป็นความจริงถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปพูด หรือถ้าเราไม่อยากจะพูดความจริงเราก็นิ่งเฉยไม่ต้องพูดอะไรแต่ถ้าเราไปพูดคำไม่จริงพูดโกหกอย่างนี้จะทำให้เราเสียหายทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่าสมมุติว่าเรามีคุณค่าอยู่หนึ่งร้อยทุกครั้งที่เราพูดคำคาเท็จพูดคาคาปด ก็เท่ากับลดคุณค่าของเราลงไปทีละเล็กทีละน้อยจากร้อยก็เหลือ99จาก99ก็เหลือ98ถ้าพูดคําเทศพูดปดอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่มีคุณค่าหลงเหลืออยู่ในตัวเราเลยเราจะเป็นคนที่ไม่มีไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครเขาจะเชื่อฟังคําพูดของเราเราจะ เวลาเราจะพูดขอร้องใครเวลาที่เราเดือดร้อนจริงๆก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อว่าเราเดือดร้อนจริงๆเพราะเขาเห็นว่าเราพูดแต่คําเท็จพูดแต่คําไม่จริงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคําที่พูดนี้ก็คงจะเป็นคําเท็จเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเดือดร้อนจริงว่าเราลำบากจริงแต่ถ้าเราพูดแต่คาความจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่เราเกิดความเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาก็จะยินดีช่วยเหลือเราเพราะคนเราทุกคนนั้นย่อมรู้อยู่ว่าเกิดมาแล้ว ก็ต้องมีการตกทุกข์ได้ยากมีความเดือดร้อนบ้างเป็นธรรมดาและการที่ได้ช่วยเหลือกันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลช่วยผู้อื่นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขทำให้เราสูงขึ้นเจริญขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้ น, นเวลาที่มีใครเดือดร้อนแล้วเราพอที่จะ่วยช่วยเหลือได้ เราก็จะมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเพราะเป็นการทำบุญนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดของเราไม่ให้พูดให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นการกระทำของเราก็เช่นเดียวกันต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเช่นไม่ไปทำ้ายชีวิตของผู้อื่น หรือไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นที่เขายังไม่อนุญาตเช่นอยากจะได้เงินทองของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตก่อนขอเงินไปซื้อขนมขอนมขอเงินไปซื้อหนังสือขอเงินไปโรงเรียนอย่างนี้ ต้องขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนถึงแม้เงินทองของคุณพ่อคุณแม่อาจจะวางไว้บนโต๊ะไม่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักใส่กุญแจถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องขออนุญาตก่อนถ้าเราไม่ขออนุญาตแล้วก็เท่ากับเราทําบาปเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะถ้ามีใครเขามาเอา สตางของเราไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ได้ขอลองเขาเห็นเราวางสตางไว้เขาก็หยิบไปเลยเราก็จะไม่มีสตังใช้เราก็จะต้องเสียใจและเราจะต้องโกรธจะต้องโมโหวเวลาเราโกรธเราโมโหเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมา ถ้าเราเกิดความโกรธพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเราต้องระงับความโกรธเพราะความโกรธนี้แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาแล้วเราต้องรักษาความเมตตาไว้ให้ได้เวลาที่เราโกรธใครเราต้องระงับความโกรธด้วยการให้อภัยอย่าไปถือเสียว่าเป็นการทําบุญให้ทานไปก็แล้วกัน ใครหยิบข้าวของของเราไปโดยที่เรายังไม่ได้ให้เขาเมื่อเขาเอาไปแล้วก็อย่าไปโกรธเขาคิดว่าเราทำบุญไปก็แล้วกันเหมือนวันนี้เราเอาข้าวของมาทำบุญมาถวายพระพอเราถวายไปแล้วเราก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเราไม่เกิดความโกรธ เราไม่เกิดความอาฆาตพยาบาทเพราะเราตั้งใจที่จะให้ของนั้นไปนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้ของนั้นไปแต่พอดีมีคนมาหยิบไปเมื่อเขาหยิบไปแล้วเราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธรีบบอกตัวเองว่า เป็นการทำบุญให้ทานไปก็แล้วกันเพราะเราจะได้บุญเวลาที่เราไม่โกรธเรามีความยินดีที่จะเสียสิ่งนั้นไปเราก็จะได้บุญขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามาวัดมาทำบุญกันเราทำบุญได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธ แล้วเราไม่โกรธเราให้อภัยเราคิดว่าเป็นการให้กันเป็นการทำบุญเป็นการช่วยเหลือกันถ้าคิดอย่างนี้เราก็ยังมีความเมตตาเมื่อเรามีความเมตตาแล้วความเมตตานี้จะคุ้มครองเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความเมตตาย่อมเตือน ย่อมมีความสุขในขณะที่เตื่นและมีความสุขในขณะที่หลับ mm. เวลาหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm. เราอยากจะให้เทวดารักเราคุ้มครองเราเราไม่ต้องไปซื้อเหรียญมาห้อยให้เสียเวลาเพราะเหรียญที่ห้อยคอเรานั้นไม่ใช่เทวดาที่แท้จริง เทวดาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การทำความดีของเราถ้าเรามีความเมตตาแล้วเทวดาเขาจะรู้เขาก็จะมาดูแลรักษาคุ้มครองเราให้เราแข็งแลา่งปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตานั้นจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ได้จะไม่ตายด้วย ถูกเขายิงถูกเขาทิ้มถูกเขาแทงเพราะไม่มีใครอยากจะฆ่าคนที่มีความเมตตาคนที่มีแต่ทำแต่ความดีคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกฆ่าตายนั้นส่วนมากมักจะเป็นคนที่ไปทำบาปไปไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้อื่นถึงจะ ถูกเขาฆ่าถูกเขาทิ่นเขาแทงเช่นไปลักทรัพย์หรือไปป้นไปจี้แล้วก็ไปต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายฆ่าตายไปแต่ถ้าเราไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นก็จะไม่มีใครเขามาทำร้ายเรา ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยขอให้เรามีเมตตาต่อกันนี่แหละคือคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาเราจริงๆไม่ใช่พระที่เราห้อยไว้ที่คอหรือเหรียญต่างๆที่เราห้อยไว้ที่คอเหรียญเหล่า น, นั้นบางทียังรักษาตัวเอาเองไม่ได้เลย เธอไปวางไว้ที่ไหนดีไม่ดีก็หายไปได้คุ้มครองเราไม่ได้เหรียญต่างๆพระที่เราห้อยครอนั้นมีไว้สำหรับเตือนสติเตือนใจเราให้เรามีความเมตตาต่อกันไม่ให้เราเบียดเบียนกันให้เรามีความการุณาให้เราช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันต่างหากถ้าเรามีความเมตตาและมีความการุณา ดูแลกันช่วยเหลือกันแล้วเราก็จะมีมนุษย์และเทวดาคอยปกป้องรักษาดูแลเรานี่แหละคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลเราอย่างแท้จริงจึงขอให้เราอย่าหลงประเด็นทุกวันนี้ที่เราเข้าใจผิดกันคิดว่ามีเหรียญมีพระห้อยคอแล้วเราจะปลอดภัยเป็นไปไม่ได้ มเช่นถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็หาพระหาหลีมาห้อยคอกัอนทุกคนไปไหนก็จะไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีภัยเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ห้อยพระถูกเขาป้นถูกเขาจี้ถูกเ้าฆ่าก็มีคนที่ห้อยพระแล้วประสบกับอุบัติเหตุตายไปก็มีคนที่ไม่ห้อยไม่ตายก็มี มันไม่ได้อยู่ที่ห้อยหรือไม่ห้อยมันอยู่ที่ถึงวาระของเราหรืออย่างท่านั้นเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องตายแล้วแสดงว่าเราหมดบุญแล้วตอนนั้นก็ต้องตายไปไม่ว่าจะห้อยพระหรือไม่ห้อยพระก็ตามชีวิตของเรานี้จะสั้นหรือจะยาวก็อยู่ที่บุญที่เราทำมาบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำมัน ถ้าเราเติมน้ํามันรถไว้เต็มถังเราก็จะขับรถไปได้ไกลกว่าถ้าเราเติมน้ํามันเพียงครึ่งถังเติมน้ํามันครึ่งถังก็ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นถ้าเติมน้ํามันเต็มถังก็ไปได้ตลอดทางฉ<ม>ันใดบุญถ้าเราทําไว้มากต่อไปอายุ ข, ของเราก็จะยืนยาวนานถ้าเราทําบุญน้อย อายุออายุของเราก็จะสั้นอยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ไข่ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่เหรียญไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การทำความดีดังนั้นขอให้เราจง เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและปฏิบัติตามคือพยายามทำความดีให้มากๆให้มีความเมตตา ม, มีความกรุณาต่อกันให้มีความกตัญญูกตวเวทีให้เราลำลึกเห็นคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์และตอบแทนบุญคุณของท่านเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าเราเป็นเด็กเราไม่มีอะไรจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ mm. ก็ขอให้เราตอบแทนด้วยการให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์จะพูดจะสั่งจะสอนอะไรเราขอให้เราพนมมือตั้งใจฟังสิ่งที่ท่านพูดถึงแม้เราจะไม่ชอบฟัง เราก็อย่าไปเถียงอย่าไปปฏิเสธเพราะครูบาอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่ท่านเกิดมาก่อนเราท่านมีประสบพระการมามากกว่าเราท่านรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษแล้วเมื่อท่านสอนเราเราก็ควรที่จะเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตาม เพราะถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะปลอดภัยโบราณมีคำพูดอยู่ว่าถ้าเดินตามหลังผู้ใหญ่แล้วหมาจะไม่กัดถ้าเดินไปเองนี่เดี๋ยวโดนหมากัดถ้าไม่อยากจะให้หมากัดก็ให้เดินตามผู้ใหญ่ก็คือให้เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ชีวิตของเราก็จะต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆเพราะเราจะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วส่วนใหญ่เราจะทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับเรา แล้วในที่สุดเราก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อเราต้องตกทุกข์ได้ยากลาบากลำบนไปติดคุกติดตารางดังนั้นถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ก็ขอให้เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรา จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวดังนั้นวันนี้จึงขอฝากเรื่องการรมนุบำรุงพ่อพุทธศาสนาและการสร้างความสุขความเจริญให้กับตัวเราเองด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและพระพุทธาศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับพวกเราไปได้อีกเป็นเวลาอันยาวนานจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยืนติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญทั้งในทางโลก และในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ